ต่อให้ทาอํำปรางเส้นทางสับสนต่อให้คนบำเพ็ญเดินทางไม่ตรง s i n the t i e Parama u a n g l e i b ำคำประชุ จึงทุ่มจึงท้ขอจิตสำนึกจริงใจบำเพ็ญใจให้อดทนให้พ้นเวรกรรมหมดไปทำเพื่อช่วยเวไนห า, ากบำเพ็ญธรรมารวมใจศุกสา a m p i n n